สมุนจิตนะใหญ่เหมือนถ้าเรามาเข้าฟอกพระพุทธเจา้าเลยนะข้างหน้าเรานั้นเป็นคุณดีฤกุษิตขออโอตุลพระสมัยสัมพุทธเจา้าสมัยที่พระองโอสงกระทับเคื่อบังเพลพุทธจิตของพระอคเคอ่านคําสอนที่เป็นไปเพื่อการดับทุกข์สูดับโลกดับ คิดดัดเบนดัดภายพายในจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยพระองค์ทรงประทับอยู่ที่นี่ทัพงพรรษาก็แสดงว่าสถานที่แห่งนี้สำคัญมากเป็นความสะดว ก, ดวกเป็นมากที่สุดเลยนะกุ้งราชคือขนี่ประจําพรษาประมาณสักห้าพรรษาหกพรษาแล้เองนะที่ว่าเป็นเป็นสถานที่ช่วง แ, กแรกๆทรงเผยแผ ประกศาสนาก็อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงหลังนะพระเจ้าปิ่นที่สามเนี่ยถูกพระเจ้าชาติศัตรูปรงพรชนเศษการบ้านเมืองก็คงไม่ค่อยสองบปัจจนนี้กรุงสาวัถีเนี่ยมันก็มีเศรษฐีคืออนาถพินิกะและก็มีพระเจ้าประเสริฐพิโกสุซึ่งมีความสถานเลื่มใสในพระพุทธเจ้าในศาสนา แล้วก็มีมหาเศรษฐีคี่อนาถมาีกามีเสียสละเา ร, รสัามาลงทุนสร้างวัดใหญ่โงแม้ก่อุปธรรมอุปถาพระพุทธเจ้ารวมทั้งสาวกของพระองค์ตลอดชีวิตก็คงจะสะ ด, ดวกสำหรับพระองค์ที่จะเผยแผ่ธรรมเพราะนั้นธรรมะของพระองค์จึงมีมากมายเลยนะที่พระองค์ทรงอบรมสั่งสอน อย่างสถานที่แห่งนี้พระองค์ก็จะสอนไปตามอัธยาศัยคนนี้มาเอาเคยสร้างกรรมนั่นมาเคยกรรมดีบางกรรมชั่วบ้างเขาเคยทำกรรมแบบไหนเหมาะสมแก่การที่จะเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมพระองค์ก็แสดงธรรมร้องกับกรรมของเขาก็แสดงว่าคนที่จะฟังธรรมเข้าใจธรรมเนี่ยจะเข้าไป ถึงจิตถึงใจได้ต้องเคยสร้างบารมีมาที่ละเล็กที่น้อยพระพุทธเจ้าองค์นั้นบ้างองค์นี้บ้างฟังธรรมาจากพระอริยรเจ้าบ้างสืบซับเข้าไปสืบซับเข้าไ ป, งาไปองค์แล้วองค์เล่าจนกระทั่งมาถึงพระพุทธเจ้าของเราแล้วก็ได้ฟังธรรมเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงสามารถตรวจสอบได้ถึงอติตัตง สยามคืออาทยามทีล่วงรู้อดีตอนาคตั่งสยามล่วงรู้ถึงอนาคตแต่ปัจจุบันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องอาศัยธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไวา้และเราก็เอามาบอกกันสอนกันเรื่อยไปอันไหนที่มันซึมซับเข้าไปในจิตใจของเราได้ก็แสดงว่าเรารับเอาธรรมนั้นได้ถ้าหาว่าอันไหนที่รู้สึกว่ามันยังไม่เข้ามา มันผ่านเลยไปก็ไม่เป็นไรหรอกอเพราะว่าในเมื่อเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าของเหล่านี้มากมายเป็นพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงธรรมเอาไว้มากที่สุดเลยในสมัยพระมมกัตสปะสัคมสัมพุทธเจ้าที่ผ่านมาปีหนึ่งอาจจะพูดสักทั้งอะไรอย่างนี้เพราะว่าอายุมันยืนมากผู้คนมีความพร้อมแล้ว บางทีก็ไม่ต้องพูดอะไรกันมากนั้นน้ําก็พูดชินแต่พระพุทธเจ้านี่โอ้โหทรงแสดงธรรมตลอดพระชนชีพเลยเพราะว่าพระชนมายุของพระองค์น้อยและเกิดมาในยุคที่ผู้คนเนี่ยกำลังมีจิตใจที่เสื่อมลงไปคือวิวัฒน า, าการของโลกเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาอย่างช่วงเวลานี้คือว่า วิกฤตของโลกเนี่ยมันรุนแรงจิตใจของคนเรามันเสื่อมสิ้นเสื่อมทำลงไปเยอะมากแล้วมันก็จะมีผลต่อธรรมชาติแวดล้อมด้วยถ้าหาว่าจิตใจของของมนุษย์เราเนี่ยทรงสิ้นทรงทรำอยู่ในจิตใจรักษาสี้รักษาธรรมกันสิ่งแวดล้อมมันก็สมบูรณ์ทั้งอากาศทั้งลมฟ้าอากาศทั้งพืชทำทำยาอาหาร ความเป็นอยู่นะบางทีสิ่งดีๆมันก็เกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติของมันมีอนุภาคของความดีอนุภาคของศีลธรรมเนี่ยมันเยอะมากเพราะว่าถ้ามนุษย์มีความเป็นธรรมเนี่ยมันจะถึงพวกเหล่าเทวดาเรื่องโลกเทวดาทั้งหลายเขาก็จะมีสัมผัสุดมีความสุขมีความสงบโปร่งเย็นเขาจะดีใจเขาจะพอใจเขาจะอนุโมทนาสั่เสริญนะอย่างที่พวกเราเนี่ย ถ้าหาว่าพวกเราเอาทำกันมุ่งมาปฏิบัติธรรมกันอย่างเนี้ยพวกเทวดานี่เขารับรู้กันหมดเลยเขาบอกกันต่อกไปแล้วเขาก็มาช่วยกันปกปักรักษาคุ้มครองนอกจากว่าเออใครมีกรรมมากๆเขาก็ช่วยได้ในขอบเขตของกรรมสรุปแล้วสุดท้ายก็คือกรรมหละที่มันมีอํนนานาจมากอแต่ว่าการที่เราเกี่ยวข้องพยายามที่เกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามอยู่กับธรรมะ อันนี้ยมันก็เป็นผลดีแก่ชีวิตของเราแนละ้มันมีผลต่อทั้งชีวิตของเราด้วยมีผลต่อสิ่งแวดล้อมด้วยรวมทั้งเหล่าเทวดาด้วยมันทําให้เกิดความสงบร่มเย็นภายในจิตใจของเขารวมทั้งอมนุษย์ทั้งหลายถึงแม้พวกนี้พวกเตจอะไรก็ตามเนี่ยเราไปที่ไหนเนี่ยพวกนี้เขาก็รอคอยอยู่ะถ้าหาว่าเขาได้รับบุญหรืออธิษฐานเอาบุญได้ เขาสบายขึ้นมาเขามีความสุขสงบร่มเย็นขึ้นมาเขาสบายขึ้นมาเนี่ยมันก็มีผลดีต่อเราด้วยนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงทรงประกาศธรรมคำสอนของพระองคเ์เพื่อเข้าไปหาจิตโดยตรงเลยนะเป็นเรื่องของจิตทางนั้นเลยนะพระองค์ก็ อ, อย่างพูก่กาดาภาบินท迦ก็เหมือนกันเนี่ยเราพูดเรื่องบุญแต่วันนี้จ ะ, จะเริ่มในเรื่องบุญแล้วก็บุญกับ ทำเนี่มันก็สัมพันธ์กันนั่นแหละอยากกระแสเขาบุญเนื่ยมันพูดแล้วก็ฟังได้ง่ายคนแต่ก่อนนี้เคยอ่านอ่านในพระไตรปิฎกว่าวันหนึ่งอนนาถปิมิกาเนี่ยมาทําบุญที่นี่ที่วัดเชตวันนี่แหละก็สมัยนั้นน่ะยุคนั้นเป็นยุคที่อนาถปิมิกานี่ยากจนแล้วเพราะว่าสร้างวัดก็จนทรัพย์ก็เอยหอแล้วนะสร้างวัดแล้วก็ยัง อุปถาพระพุทธเจ้าพร้อมกับสาวกทุกองเลยทั้งหมดวัดเลยดูแลหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างเลยถึงแม้ว่าจะยากจนเลยก็ไม่พระพุทธเจ้าก็คงจะเมตตาย่ะดูกรเขาเรื่องบดีมาถามวันหนึ่งถามนะเธอนี่ะยังทําบุญอยู่มั <S <S 1> <S 1> ้งฟังทั้งที่รู้อยู่นะแต่ก็ถามเพื่อให้มีเงินที่จะอบรมสั่งสอนหรือผู้ธรรมะเพื่อให้มัน เป็นเหมือนน้ำพิชลงใจของอนาถาปิจิกะเนี่ดูก่อนเพื่อห้าบอดีเธอนะ่ยยังทำบุญอยู่ไหม ย, ยังทำอยู่พระเจ้าค่าแต่ว่าเป็นทานที่เลวไม่ใช่ทานที่ตามีข้าพระพุทธเจ้าทำทานด้วยกลายข้าวกับน้ำผักดองโอยากเจงขนาดนั้นเลยนะแต่ก่อนนี้จะของดีดนะข้าวสวยกับข้าวอย่างดีแต่ว่า เดียวนี้ยากจนแล้วก็ยังไม่ทิ้งเรื่องบุญเรื่องทานเลยทาด้วยน้ำเลือดตายข้าวกับน้ําผักดอกต้มต้มใส่กันมาแล้วก็ถวาวรพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าดูก่อนเครื่องห้าบริทานน่ะไม่เกี่ยวกับวัตถุว่าเรหรือกระนี่เกี่ยวกับว่าจิตใจของเธอต่างหาถ้าใจของเธอผปรงใสทานของเธอก็ประณีตทันทีนี่แสดงว่าจิตใจนี่สาคัญมาก ถ้าว่าจิตใจของเธอเศร้าหมองฐานของเธอก็เลวเพราะนั้นถ้าหากว่าเราทําบุญำทำฐานก็ตามนะเราไปไหนก็ตามใจเราต้องของใสเอาไว้แล้วพระองค์ก็พูดเรื่องจิตใจนี้ไว้มากมายเลยนะว่าใจนี่แหละมันเป็นอย่างใจมันถึงก่อนใจมันเป็นประทานถ้าใครประทุษร้ายจิตของตัวเองหรือ ใ, ใจของตัวเองเนะี่ยก็คือไปเอาเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องเข้ามากุ้มลงจิตใจ หรือไปทำแล้วจิตใจของตัวเองจเศร้าหมองทีหลังนะไปทำหรือไปพูดหรือไปคิดก็ตามนะในสิ่งที่มันไม่ดีเสร็จแล้วมันนำความเดือดร้อนใจมาให้ทีหลังนี่เรียกว่าประทุสล้ายจิตของตัวเองเลยนะเพราะนั้นพระ อ, องค์จริงจึงสอนเชีย่ยเห็นว่าเนี่ยใจมันถึงก่อนนะถ้าเราทำไม่ดีอะไรเนี่ยใจเรามันเป็นรับเอานะไปซึมซับเข้ามานะ จริแล้วเดือดร้อนที่หลังนะคําพูดก็เหมือนกันเราต้องระมัดระวังนะถ้าเราไปพูดแล้วเนี่ยใจมันไปถึงคําพูดของเรามันไปยึดคําพูดของเรามันเจ็กคืนมาอีกอ่ะมันย้อนเข้ามาประทุสล้ายตัวเองใจก็เป็นทุกข์อ่ะมันก็เลยเหมือนกับว่ามันจะหนักอยู่ในจิตใจก็เหมือนว่าเหมือนกันหนักเหมือนกับโคที่มันลากกวนอ่ะตอนที่มันลากกวน่ะมันหนักมันเป็นทุกข์ มันพทรมาณนอ่ะถ้าหาว่าใครก็ตามนะชีวิตเนี่ยมันดําเนินไปแล้วมันเหมือนกับวัวลากเกวียนเหมือนมันมีหนักมีต้องดึงต้องฝืนต้องทนเนี่ยอย่างนี้แสดงว่าปัทถุสลายตัวเองแล้วต้องมาแก้แล้วเพื่อให้ใจของเราเนี่ยมันดีขึ้นมามันสบายขึ้นมาแต่ถ้าหาว่าใคร ใครทําจิตใจให้ผ่องใสใจผ่องใสก็คือใจต้องมีเมตตาใจต้องปราถนาดีใจต้องมีจิตใจที่อยากช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันไปที่ไหนก็นึกถึงเราบ้างนึกถึงคนอื่นบ้างเห็นอกเห็นใจกรรมผิดนิดผิดหน่อยให้อภัยซึ่งกันและกันเป็นจิตใจที่พร้อมจะให้อภัยเป็นจิตใจพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูล ถ้าเราคิดพาดบกพรองก็พร้อมจะขอโทษพร้อมจะแก้ไขตัวเองให้มันดีขึ้นมาถ้าจิตใจแบบนี้มันจะเป็นจิตใจที่ดีเป็นจิตใจที่ท่านบอกว่ามันเป็นจิตใจที่ที่เหมือนกับว่าเป็นความดีทำแล้วไม่เดือดร้อนใจที่หลังยิ่งทำแล้วใจมันเบิกบานใจมันอิ่มเ อ, อิบใจมันมีความสุขใจสบายอันนี้ มันก็ยิ่งมีผลดีต่อจิตใจท่านบอกว่าอันนี้เป็นเหมือนบุญอะมันจะติดตามเราไปเหมือนกับ ล, ออล้อเกวียนตามรอยเท้าโคใ น, นสมัยก่อนเนี่ยในสมัยนี้ก็ยังมีอยู่นะที่ประเทศอินเดียอย่างที่อาจารย์สมบูรณ์เล่าบงางครั้งมาถึงตอนกลางคืนนะ่ะสวนทางกับใครคาราวานเกวียนอ่ะดึ๋นดึ๋นดึ๋ดดนเนาะ โอ้โหเกวียนลากอะไรก็ไม่รู้เป็นเท้าอ่ามีมีวัวเทียมมีคนขับไปแล้วก็ดึกแล้วนะอ่าเ น, นื้อเ น, นี้ยเราจะจะเห็นว่าไอ้ไอ้ลอล้อเกวียนมันจะตามรอยเท้าโคว่าแต่มันจะไม่หนักนะเพราะมันตามไปเฉยเฉยไม่เหมือนกับวัวมันลากเกวียนอ่ะถ้าเอ า, าไปากดทฤษ า, าีจิตแล้วมันจะเหมือนวัวมีลากเกวียนแล้วก็พระองค์ก็บอกว่า ถ้าหากว่าเราพยายามทำจิตของเราให้ผ่องใสทําจิตของเราเนี่ยให้มันผ่องใสแล้วคอยระวังอย่างเดียวว่าไม่ให้กิเลสหรืออาการตกกะเนี่ยมันจรเข้ามาที่จริงความผ่องใสหรือความเศร้าหมองเนี่ยมันไม่ใช่จิตนะเพราะนั้นถ้าจิตของเรามันมันเศร้าหมองก็อย่าไปอย่าไปยึดมันนะว่ามันเป็นเรานะมันมันเป็นแค่อารมณ์ของจิตนะ มันเป็นแค่อาครตุกกับที่มันจรเข้ามาเฉยๆนะถึงจิตผ่องใสก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเรานะมันเป็นอาการของจิตเฉยๆนะเป็นความผ่องใสที่มันจรเข้ามาเฉยๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามมีสติรู้อาการของจิตเร า, าพยายามรู้อาการของจิตเราพระพุทธเจ้า ว, ว่าต่อพัฒน์สร่างพิฆเวยจิตตังดูก่นที่จุดทั้งหลายจิตเนี่ยมันต่อพัฒ ประพัทสอนแต่ว่าพวกกิเลสเนี่ยเป็นเหมือนอาคามตุกกบอาคมตุกก ะ, กกะจรเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าเรามีสติรักษาจิตเอาไวา้แล้วคอยระวังไม่ให้พวกอาคามตุกกบนี่มันจอนเข้ามาลบกวนจิตใจของเราเนี่ยใจของเราเนี่ยก็จะของใสใจของเราก็อิ่มเอิบแจขงเราก็เบิกบานได้เราก็จะอยู่กับใจ ระหว่างจิตใจกับอารมณ์เนี่ยมันคนละส่วนจิตเนี่ยเป็นจิตจิตเนี่ยเหมือนเหมือนเจ้าของบ้าน่ะพลังกายเหมือนบ้านไอ้จิตเนี่ยเหมือนเจ้าของบ้านแล้วพวกอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยก็เหมือนอาคารตุ ก, กะก่าที่มันจอเข้ามาเพรา ะ, ะตัวจิตจริงๆริะมันเป็นภาตกรู้มันเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เฉยเลยแต่ถ้าจิตของเราเนี่ยกาลังสติกาลังสมาธิกาลังปัญญา กำลังความเพียรมันไม่พอเนี่ยอารมณ์ทั้งหลายมันจะมาคุกคข้ากับจิตของเราอารมณ์มันก็เลยเป็นจิตเราอย่างความโกรธก็เป็นเราโกรธไปความอยากก็กลายเป็นเราไปความอยากความต้องการความดิ้นลมของจิตเป็นเราไปหมดเลยความพอใจไม่พอใจก็เป็นตัวเป็นตนของเราไปหมดอันนี้แสดงว่ากําลังสติของเรากําลังสมาธิกําลังปัญญา ของเรามันไม่พอเมื่อมันไม่พอมันก็เลยควบคุมจิตไม่ได้เมื่อควบคุมจิตไม่ได้มันก็ไปหลงยึดเอาอารมณ์เข้ามาเป็นจิตมันจะยึดเอานะมันเห็นตั๊กมันไม่ถูกใจขึ้นมามันไม่สบายอ่ะตั๊กมันไม่มันไม่ตรงกับความรู้สึกของเราตั๊กมันไม่สบายขึ้นมาถ้าเราทันมันนะเห็นมันเนี่ยมันเป็นแค่อารมณ์ที่เกิดแล้วก็ดับแต่จะห้ามมันเลยไม่ได้นะ มันก็ต้องมีล่ะเพราะว่าจะให้มันถูกใจทุกอย่างก็ไม่ได้ถ้าถูกใจแล้วไปหลงดีใจกาอีกหละมันก็เข้ามาทําให้จิตของเราเนี่ยไหลไปกับไอ้ความพอใจความไม่พ อ, พอใจแต่ว่าเราพอใจเราชื่นชมยินดีแต่ว่าจิตของเราเนี่ยมันไหลไปกับไอ้เรื่องเหล่านี้มันก็เสียส ม, มดุลภายในจิตเหมือนกันทําไม่ถูกใจไม่พอใจไม่สบายใจแล้วไม่ถูกใจไม่พอใจอ่ะมันก็ต่อต้าน มันก็อยากให้หายไปมันไม่อยากให้เกิดขึ้นถ้ามันถูกใจมันมันสบายใจมันถูกใจมันพอใจมันก็อยากให้เกิดขึ้นมันก็อยากให้มีให้เต็มไปเนี่ยมันก็เสียสมดุลทั้งสองฝ่ายเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงสอนให้มีสติเนี่ยรักษาจิตอาไว้ให้คอยระวังอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยที่มันเดกจอนเข้ามามันจอนเข้ามามันจะเข้ามาแล้วมันจะมาพุ่งลมจิตแล้วจิตของเราเนี้ก็จะไยึดอารมณ์เหล่านั้นว่าเป็นเรา แม้แต่ความโกรธก็เป็นเราไม่พอใจก็เป็นเราพอใจก็เป็นเราอยากได้อยากมีอยากเป็นเป็นเราไปหมดเลยแต่พระพุทธเจ้าสอนต้องการให้ภาวะจิตของเราเป็นกลางเอาไว้จึงเรียกว่าทางสายกลางฮงตประกาศทางสายกลางก็คือให้มีสติระวางจิตให้เป็นกลางเอาไว้จะทําอะไรก็ได้แต่ว่าให้จิตเป็นกลางไว้จะเกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามพยายามรักษาจิตให้เป็นกลางไว้ถ้าอย่างนี้แนะจิตของเรามันจะมี ความเบิกบานอินมเอิบ ม, มากแล้วก็เป็นสมาี่ง่ายเมื่อเป็นสมาธิง่ายแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะรับรู้อะไรต่างๆเกิดขึ้นรับรู้โดยที่จิตข้าอย่เมินกลางอยู่อย่างนั้นนะไม่ใช่ปฏิเสธว่ามีตามันไม่อยากเห็นอะไรไม่อยากได้ยินอะไรไม่อยากเกี่ยวข้องกับอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคือต้องเห็นต้องได้ยินนี่แหละเมื่อเห็นได้ยิน หรือว่ามีอะไรมันต้องเกี่ยวข้องกันแต่ว่าเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะรักษ า, ษาจิตของเราให้เป็นกลางเอาไว้ถ้าหากว่ามันยังไม่เป็นกลางเนี่ยเราก็ต้องพยายามะที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อให้จิตใจของเรามันเป็นกลางให้ได้ถ้ามันไม่เป็นกลางก็คือเราก็ต้องฝึกไปฝึกไปวันแล้ววันเล่ามันจะค่อยๆเป็นกลางมากขึ้นเรื่อย เมื่อเป็นกลางแล้วอารมณ์ทั้งหลายมันไม่จรเข้ามากุ้มหลุงผิดอาคารตุกตาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีอิทธิพลต่อจิตเราได้เหมืนหอนกับตอนนี้เรานั่งอยู่อาจจะมีเสียงบ้างเสียงสุนัขบ้างเสียงคนบ้างผ่านไปผ่านมาพูดคุยกันบ้างดังบ้างค่อยบ้างแต่สิ่งเหล่านั้นเรารู้มันอยู่ข้างนอกเราไม่เอาเข้ามาเก็บไว้ในจิตของเราสิ่งเหล่านั้นก็เลยมันก็เลยอยู่ข้างนอกมันก็อยู่ตามธรรมชาติของมันไป ทีนี้ถ้าหาว่าเข้ามาถึงข้างในจิตของเราคราวนี้มันเป็นเรื่องของอารมณ์หมายว่ามันมันเข้ามาบ้างแล้วอ่ะแต่ก่อนมันอยู่ข้างนอกแต่คราวนี้มันมาแล้วเมื่อมันมาแล้วเราก็ต้องให้เห็นมันให้รู้ทันมันแล้วก็คือให้มันเป็นอาการตุกกะให้มันแค่อารมณ์อย่างนั้นไม่ใช่จิตจิตของเราจริงๆแล้วมันเป็นภาพรู้เขาเรียกมนโนภาพหรือวิญญาณภาพหรือจิตตภาพ เขาเรเป็นภาพรู้มันมีเพื่รู้อารมณ์เฉยๆนะเพราะนั่นอะไรเกิดขึ้นจิตเนี่ยมันจะต้องใจรู้เขากล่ว่าจิตเนี่ยคือธรรมชาติที่ต้องรู้อารมณ์อยู่เสมอแต่ทีนี้ไอ้ตัวที่มันมันมันทำไมอารมณ์มันไม่ดับตาทําไมมันจึงเข้ามาปมเจกับจิตของเราได้ตัวนั้นแหละรวดเร็วมากคือตัวอุปาทานในจิตของเราเองไปยึดอารมณ์ไปคว้าเอาอารมณ์ไปดึงเอาอารมณ์ทั้งหลายเข้ามากุ้มลุมจิตตัวเอง มีอะไรเรียกว่าปะทุสลายจิตตัวเ อ, องก็คืออย่างนี้มันก็เลยทําให้เราหนักอยู่ในกิตทําให้เราเป็นทุกข์อยในกิตทําให้เราเดือดร้อนอยู่ในกิตแต่ถ้าหาว่าเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราอุตส่าห์เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงพระกุดีหน้าพระกุดีของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงเคยแสดงธรรมให้กับสาวกของพระองค์ฟังโดยเฉพาะเรื่องกิตนี่แหละ เพราะว่าในชีวิตของเราจิตเนี่ยมันสําคัญที่สุดแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าจิตเนี่ยมันเป็นใหญ่มันเป็นประธานมันเป็นธรรมชาติที่ต้องถึงก่อนเลยอะไรก็คือนําตัวจิตนี่ได้ถึงก่อนถ้าว่าใครพยายามที่จะเคียรระวังจิตรักษาจิตไม่ประทุกสลายจิตคือไม่ให้ไม่ไปทําไม่ไปพูดไม่ไปคิดไม่ไปใ ห, ให้จิตของเราไปคว้าเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาทําให้ตัวเองเป็นทุกข์ได้เนี่ยอันนั้นน่ะมันจะเป็นทางออกของชีวิตเรา ชิตของเราจะทุกน้อยลงไปทันทีแต่ถ้าหาว่าใครยิรู้วิรู้หลักแล้วว่าโอ๋จิตเนี่ยตามปกติมันผ่องใสยอยู่แล้วคอยระวังอารมณ์อย่างเดียวที่มันจริงเหมือนอาคามตุ ก, กะไม่ให้มันเข้ามามันจะเข้ามาเราก็ไม่เอาไม่เอาพยายามมีสติรักษาจิตเอาไว้เมื่อไม่รับอารมณ์เข้ามาอารมณ์มันก็ดับไปเข้ามันเองอารมณ์ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่อยู่ตั้งนอกเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับส่วนตัวจิตของเราเนี่ย มันก็อยู่ตามธรรมชาติของมันถ้าว่าเราเข้าถึงธรรมชาติของจิตเราได้เราก็จะรับรู้ว่าอ๋อที่พู้เจ้าอย่าได้สาลูกของประพฤติปกินคือตรงนี้เองทือพยายามให้จิตเป็นกลางกลางให้ได้ก่อนไม่ให้มันไหลไปกับอารมณ์เพราะอารมณ์มันเป็นแค่อาการตุกกะมันเป็นแค่อารมณ์มันไม่ใช่จิตจิตเราก็เริ่มรู้สิถ้าหาว่ามันมันมันมันรักษาจิตเอาไว้ได้เนี่ยมันเริ่มเห็นว่าอารมณ์เกิดแล้วก็ดับเวลาอารมณ์เข้ามามันเห็นละรู้แล้ะอ๋อเกิดแล้วก็ดับแล้ว เขช่ของเราเลยเหรอเนี่ยมันก็จะดับไปอาตมายังจำได้เหตุการณ์อตอนนั้นไปที่นคนปรปฐมมีคนหนึ่งเขาเขาเป็นโรคซินซ่องเนื่องจากว่าเกิดอบุบัติเหตุรถเฉียวหรือถชนอะไรอย่างนี้หละขาหักทั้งสองข้างแล้วก็ใสไหนทำอะไรก็รต้องมีคนดูแลอต้องนั่งรถเข็นไปอยู่โรงพยาบาลตั้งนาน ออกจากโรงพยาบาลแล้วทาอะไรก็ยังไม่ได้จะเข้าออกน้ําก็จะมีคนตะคับตระคองพาไปไปเชื่อตัวเองก็ชื่อใหม่ได้ตัวเองก็เคยมีความสําคัญเคยทําการทํางานอย่า ง, งมีความสา ม, มารถมีความเชื่อมั่นในตัวเองพอทําอะไรไม่ได้ตัวเองก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยสบ า, ายใจพอดีวันนั้นเรานั่งอยู่คนเดียวตอนเช้าแต่ก็ค่อยๆกะเถิกระเถิถเข้ามาเคาะวางแก่นั่งเอาวางแก่นั่กระเถิเข้ามา คุณเสาแล้วก็บอกว่าท่านอาจารย์อารมณ์ความเศร้าหมองเนี่ยความเศร้าความเศร้าหมองความสิ้นเศร้าอาการของความสิ้นเศร้าเนี่ยเราจะละมันเลยหรือว่าตามดึงมัน น, นี่คือคาถามของเขาในขณแที่เขาเริ่มเห็นแล้วเราก็เลยบอกว่าถ้าจิตมีกําลังนะละมันเลยอย่าละมันเข้ามาเพราะว่าอารมณ์พวกนี้มันจะค่อยๆโผล่ ข, ขึ้นมาถ้าหาว่าจิตเราเริ่มเริ่มเป็นกลางได้ เวลามีอารมณ์เกิดขึ้นมันจะเริ่มมองเห็นนล้เหมือนมองเห็นมองเห็นด้วยจิตเนี่ยบอกว่าตอนนั้นเน่ะอย่าให้มันเข้ามาไม่เอาไม่เอาในหมายมวันเราบอกจิตเราว่าไม่เอาอันนี้นเป็นแค่อารมณ์ที่เกิดรวมทั้งเรื่องอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความชอบใจอยากได้อันนั้นอันนี้อยากเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเรื่องนี้มีอารมณ์ความอยากความต้องการขึ้นมารุเแรงขนาดไหนก็ตามถ้าจิตเรามีตำเราไม่ปฏิเสธทันไม่ชู้กันซะก่อน จากนั้นอารมณ์พวกนี้จะเบาลงเบาลงเบาลงแล้วก็ดับไแล้วจิดของเราเนี่ยมันจะเริ่มมีปัญญาขึ้นมาอ๋อสิ่งเหล่านี้มันเกิดแล้วก็ดับจริงๆเป็นแค่อารมณ์เท่านั้นเองรวมทั้งพวกกิเลสทั้งหลายด้วยตัวกิเลสจริงๆเนี่ยมันไม่มีตัวตนที่แท้จริงหรอกแต่ว่าตอนที่มันมีกําลังเนี่ยเพราะว่าเราเคยค้อยตามมันเคยทําตามมันมันก็เลยมีอิทธิพลเหนือเรา เวลามันมาปั๊บมันจะมีความรุนแรงบีบั้นเราอยากให้เราทําตามความอยากความต้องการเหล่านั้นถ้าเราไม่ไปทําตามเราก็ทุกข์แต่ถ้าหาเราเขึ้นแข็งพองเราสู้เลยอดทนเลยเอา้าทุกข์ก็ทุกข์สิเพื่อให้มันเห็นว่าไอ้ไอ้นี่มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นเรื่องของกิเลนเป็นเรื่องความอยากความต้องการที่เราเคยสั่งสมมาจนเราติดเป็นมิสัยเลยอ่ะจิตเป็นความเคยชินภายในจิต ข, ของเรานี่แหละนี่แหละ ตัวที่มันสร้างความทุกข์ก็คือว่าความเคยชินนี่แหละมาจากความเคยชินเนี่ยที่เราทํา บ, اي, บ่อยๆทําบ่อยๆทําบ่อยๆจิต ก, ก็มีอาการค้อยตามอารมณ์ที่เราทําบ่อยๆนั้นแล้วมันก็ติดอยู่ในจิตมันก็พยายามที่จะคิดในสิ่งที่มันอยากที่มันต้องการเรื่อยๆมันมาในรูปของความคิดแต่ความคิดนี้อาศัยความเคยชินที่เราทําบ่อยๆมันก็เลยเป็นมิสยมัยของฐิเราเป็นอาการทุกขจิตเราแต่ถ้าเราตามดูมันอย่งนเราไม่ทําตามละ ไม่ทําตามมันเอาอดทนไว้ทนไว้มันก็จะค่อยเบาลงเบาลงเบาลงมันจะกี่วันก็ช่างไม่ทําตามดูชีตายให้มันตายเลยพอเห็นมันดับไปโอ้โหจิตมีกําลังขึ้นมาทันทีเลยนะแล้วก็มันก็มีเนี้ยในกลุ่มที่ผู้ปฏิบัตินี่แหละก็มีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับผู้ชายเออันนี้ยกตัวอย่างแต่ไม่ได้ออ ก, อออกเสียงนะมันมีได้เนี่ยในทุกวงการละ่ะ เขาก็บอกว่าแหมอยากจะเลิกแล้วเกินอ่ะเพราะว่าทำแล้วมันเป็นทุกข์เดือดร้อนก็อาจจะมีผู้ชายซึ่งอาจจะแต่งงานแต่งการแล้วอาจจะรู้ทีหลังอะไรต่ออะไรอย่างเนี้แต่ว่าคราวนี้มันมั น, อนไอจิดตนนทริศละไปะติดละเอเวลาจะถอยออกมาเนี่ยสู้มันไม่ได้นีอันนี้ก็มามาเล่าให้ฟังเนี่ยเราบอกว่าเอาละพอดีช่วงนั้นเป็นช่วงเข้าพรรษาเนี่ยตอนนี้จะเข้าพรรษาแล้วพรรษานี้นนตลอดพรรษาหรือทิ้นแปดได้ไหม เอามันเลยบูชาพระพุทธเจ้าเลยแล้วก็จะได้ไม่ไปทําผิดพลาดอย่างนี้อีกแล้วเราจะได้เอาชนะมันให้ได้ลองดูที่ว่าจะไหวไหมถ้าไม่ไหวเอาเมอนาทิตย์ก่อนจากนั้นเอาเลยเขาก็ได้ลองตามลองตามพอออกพรรษาแล้วรู้สึกว่าจิตมีกําลังขึ้นมากบอกไม่เอาแล้วรู้สึกเห็นทุกข์เห็นโทษเลยมันเป็นแค่อาการของจิตเฉยๆอาการที่เกิดจากความอยากความต้องการมันเหมือนกับมีความอะไรอาวรณ์อยู่ในนั้นแหละ ถ้าว่าไม่ไดได้มันนี่มันตอดจะเป็นทุกข์อ่ามันจะมันจะตายให้ได้แต่พอชนะมันได้โอ้โหจิตใจก็เข้มแข็งขึ้นมารู้สึกว่ารสชาติความเข้มแข็งของจิตเนี่ยมันแตกต่างจากความพ่ายแพ้ตามอารมณ์กวักกันเยอะต่างกันเยอะเลยคราวนี้รู้วิธีเลยทีนี้อารมณ์อะไรเข้ามาเนี่สู้กันเลยมันรู้วิธีแล้วทีนี้มันเป็นแค่อารมณ์เฉยเมยเมื่ออารมณ์เนี่ยเกิดแล้วก็ต้องดับ ถ้าว่าเราไม่ทําตามมันจิตของเราก็จะมีกําลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ว่าเรื่องอะไรที่นึ่ที่มันทําให้เราเป็นทุกข์เนี่ยก็คือจิตเราไปมีอุปาทานไปเอาเรื่องเหล่านั้นเข้ามาฝังอยู่ในจิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกก็ตามเรื่องอะไรก็ตามถ้าเรื่องลูกเนี่ยถ้าคิดเป็นนะถ้าคิดให้ถูกนะเออเรามีเป็นแม่ก็ตามเป็นพ่อก็ตามเราก็ทําหน้าที่เราให้ดีที่สุดส่วนจะดีหรือไม่ดีมันเป็นเรื่องของเขานาะเป็นเรื่องบุญของเขาเป็นเรื่องกรรมของเขาเลยนะ อันนี้พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าเราเนี่ยมีลูกแล้วเราจะสอนลูกให้ดีได้ทุกคนไม่ใช่อย่างนั้นนะบางคนเนี่ยมี ม, ม, มีบางคนบอกมีลูกสองคนอะ่ะโอ้คนห น, นึ่งนี่ดีแบบสมบูรณ์เลยนะอีกคนหนึ่งโอ้โหมนไมอาไหนเลยอะ่ะไม่ได้ยังได้ลาวเลยอะ่ะสร้างแต่ปัญหาให้กับครอบครัวให้กับพ่อกับแม่เอาก็ยงังดูเหมือนกันทุกอย่างเลยชีวิาล้อมเดียวกันด้วยพ่อแม่เดียวกัน สิ่งได้ล้อมเดียวกันย้นดูมาเหมือนกันแต่ทําไมมันจิตแตกต่างกันนี่คือกรรมมันให้ผลแล้วนี่เขามาปรับทุกบ่อยๆนะเมื่อก่อนเนี้ยก็เลยบอกว่าเอา้าเราก็ทําหน้าที่ของพ่อของแม่ให้ดีที่สุดที่ส่วนเขาจะดีหรือไม่ดีก็คอยดูกันไปขึ้นอยู่กับบุญของเขากรรมของเขาก็แล้วกันนะถ้าเขามีบุญเขาต้องดีขึ้นที่แต่ถ้าหากว่าเอาิมไอกรรมไม่ดีมันให้ผลเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นกรรมดีมันก็เป็นไปนไม่ได้หรอกเราต้องรู้จักทําใจจากนั้นมาข้างมนเบ า, เบาลงนิดเนียวเขาก็ทำหน้าที่พ่อแม่ดีที่สุด แล้วต้อคอยถามอยู่แล้วแล้วเป็นยังไงดูคนนั้นเนี่ยเออดีขึ้นมาบ้างดีขึ้นบ้างเล็กน้อยเขาว่าเออทั้งที่ทําเป็นที่แล้วก็ยังดีขึ้นมาเล็กน้อยบอกเอาก็เอาละอย่างนั้นก็ดีขึ้นมาแล้วก็ปลูกเขามาทําบุญฉันทานบางทีเวลาครูบาอาจารย์มานะโอ้ปลุกครับแม่แตปลุกแล้วมันเสียอารมณ์วะปลุกแล้วมันรู้ตัวใช่ไหมมันก็นอนต่ออีกไม่ยอมพ่อก็แม่ก็อยากให้ดียิ่งบนไปยิ่งเสียอารมณ์สุดท้ายเ อ, อ้าก็แลกแก จะมากก็มากไม่มากก็จ้าก็เลยสบายใหญ่ขึ้นสุดท้ายมาแก้ที่ตัวเองแก้ที่จิตตัวเองคือเราอยากให้เป็นแต่อย่างที่เราต้องการไม่กลายเป็นเหตุแห่งทุกข์กลับม่อยู่ที่เราอีกเพราะเราไม่รู้หลักธรรมของพระพุทธเจ้าเราเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมไม่ถูกต้องพอเกี่ยวข้องแล้วก็อยากให้เป็นอย่างที่เราต้องการมี่แหละปาถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์นี่มันเป็นทุกข์เพราะมีอุบายธรจะยึดมัน อยากให้เป็นอย่างที่เราต้องการขึ้นมาเพราะความอยากของเราเราไม่เข้าใจว่าอ๋อพระพุทธเจ้าแม้พระองค์ตรัสรู้แล้วเป็นพระเจ้าแล้วก็ตามถ้าพราะองค์สอนก็เหมือนกันนะเน่ะพระองค์ทำหน้าที่ขององค์ดีที่สุดอบรมสั่งสอนเต็มที่เลยเขาจะรับได้หรือไม่ได้ก็ เ, เรื่องของเขาสอนสาวกขององค์ก็ไม่ใช่ว่าพราะองค์สอนดีสอนถูกต้องรู้อริยสายรู้นิสัยไปหมดอะแต่ไม่ใช่สอนได้ทุกองค์เลยนะีย บางองค์บางทีพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยกากระเบือกก็มีนะดูเหมือนเนี่ยเนี่ยอยู่ในเมืองสาวกขีนี่แหละมีครั้งหนึ่งพระเจ้าบอกว่าเออพระพุทธเจ้าตรวจสอบดูวันนี้ถ้าเราไปแสดงธรรม ท, ที่ตรงนั้นจะมีทิกสุขหกสิบลูกบรรลุเป็นพระหรหัลรู้ลวงหน้าเลยนะแต่อีกหกสิบลูปเนี่ยจะอาเทียนเป็นลุอีกหกสิบลูปจะลาสิกขาบทในวันนี้พระองค์ตรวจสอบปั๊ก องค์ ก, ก็บอกพระ อ, อนอลุลบอกพระแล้วเอาช่วยบอกกันนะวันนี้ใครจะไปด้วยกลับไปนะอเพราะว่าวันนี้เราจะไปแสดงรธรรมโผพระภิกษุแถบนั้นเมืองนั้นบ้านนั้นเสร็จแล้วพอได้เวลาพระเจ้าก็เสด็จไปพร้อมกับทิชุสงทิชุก็อยากไปพระเจ้าเสด็จไปไหนก็อยากไปอะเพราะว่าไปแล้วมันก็มีโอกาสได้ฟังธรรมได้เห็นอนุภาพของพระเจ้า พุทธบาลมีเนี่ยทุกช่วงท่าทุกมีลาทั้งคําพูดทั้งการแสดงออกมันสมบูรณ์แบบก็ติดตามไปไปพระเจ้าก็เริ่มแสดงธรรมพอแสดงธรรมก็เป็นตามนั้นถ้าหกสิบลูกก็ส่งติดตามกระแสธรรมหมุนไปตามกระแสธรรมก็บรรลุปเป็นพระราม ท, ทันทีพอแสดงธรรมจบอีกหกสิบลูกก็กลารเลือดก็ต้องลาสิขาเหมือนกันอีกหกสิบลูกก็ลาสิขา บอกว่าเออการที่จะบวชรักษาธรรมรักษาวินัยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันยุ่งยากลำบากตัวเองเนี่ยคงรักษาไม่ไหวถ้าออกมาแล้วมาประคุตปฏิบัติในฐานะที่เป็นคลาวาดยมันจะสะดวกกว่าก็ลาสิททาวมาพระพุทธเจ้าก็ได้ได้ตาลดกับพระทั้งหลายว่าถ้าหกสร ท, ที่อาเจียนเป็นโลหิตนั้นนะ่ะท่านต้องอาบัติตาราทธิแล้วพระพุทธเจ้ารู้นะพวงนี้ ก็คืออาบัติปาราชิตของพาอก็มีสี่เศษมีถุนเศมีถุนก็หมายรวมเศษสังวัตกับผู้หญิงกระดาษผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีการเศษสังวัตปับ๊บยก็ต้องปาราชิตอันที่สองก็คือว่าขาโมยของเขาไปรักของเขาตั้งแต่ราคานั้งแต่มบาทขึ้นไปอันที่สามก็คือเจตนาฆ่ามนุษย์จะฆ่าเองนิจห้คนฆ่าอันที่สี่อุระอุตตลิกมนุษยธรรมคือทําที่มันเหนือนโลกเช่นพวกชาม พวก่วิปัสสนาพวกมรรคผลนิพพานอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่มีในตนอะ่ะเองไม่มีก็ไปอยากให้คนเคารพนับถืออยากได้ลาบอยากได้ยศอยากให้เขายกย่องเฉยๆก็ไปไปบอกไปพูดให้คนอื่นให้ฆ ร, รวาวาสญาณโยมเข้าฟังกันไออย่างนี้ต้องเอาวัดปาราชิกปาราชิกก็คือศึกสถาธมเดียวบวชอีกไม่ได้แต่บวดเนรได้เมื่อบวชเนรแล้วพระองค์เจ้าก็บอกว่าสามารถปฏิบัติธรรมได้เป็นพระขาวก็ตาม เป็นเนมก็ตามแต่เป็นพระไม่ได้หรอกนะสามารถเป็นพระโสดาบันเศรษฐาคามีอนณาคามีหรือว่าตายไปแล้วก็ไปสวรรค์ได้อันนี้ไม่กั้นมรคลไม่กั้นสวรรค์ไม่กั้นมร์กรั้นผลถ้าสิกนะถ้าไม่สึกนี้นรกสถานเดียวเพราะว่าเัวองทําผิดพุทธบัญญัติแล้วแล้วก็ไม่ยอมแก้ไขแล้วอีกหกศีรษะที่ลาสิกขาล่ะอ๋ออีกหกศีรษะที่ลาสิกขาเนี่ย คือย่ำดีทำดีในของพระเจ้าไม่รักษาพุทธบัญญัติของพระองค์เช่นในสมัยนี้พระเจ้าก็บอกว่าเออมันให้ไม่ให้พระภิสูจน์นี่รับเงินรับทองโอ้ยเดี๋ยวนี้รับกันไปเกินเลยอย่างนี้ถือว่าย่ำยีทำดีในนะั้นในสมัยก่อนพระพุทธเจ้ายังอยู่เนี่ยถ้าพระองค์แสดงธรรมแล้วเนี่ยประเภทนี้ต้องลาสิก ข, ขาถ้าไม่ลาสิก ข, ขาผู้เจ้าบอกว่ามีโอกาสที่จะอาบัติหนักขึ้นไปเช่น ส, สังฆาฏิเสสหรือว่าอาบัติปาราชิต แล้วผลพวกนี้ก็เจ็ตกนรกท่านวะเพราะฉะนั้นพระพองค์เนี่ไปเพื่อให้โอกาสบุคคลเหล่านี้ถึงจะทําผิดแล้วก็ตามแต่ว่าถ้าหาว่าลาวศิษยเขามาปฏิบัติธรมก็สามารถบรรลุเป็นพระสวสดิบาลสุดิตรคามีอนาคามิตายไปแล้วก็ไปสวรรค์ได้ไม่กั้นสวรรค์ไม่กั้นมรรคผลแต่ต้องทําให้ถูกต้องเสียผู้เจ้าก็อันนี้ผู้เจ้าจับเอาไว้เนี่อันนี้มีในพระไตรปิฎกอีกหกสิบรูปนั้นก็มีความพร้อมฟังธรรมและจิตมุนไปตามธรรม ก็สามารถได้รู้ธรรมได้อันนี้เป็นพุทธกิจของพระพุทธเจา้าเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายังสถานที่นี้แล้วซึ่งพระองค์เนี่ยได้ประกาศธรรมแสดงธรรมอบรมสั่งสอนมากมายแต่ว่าคำสอนทั้งหมดตรงเข้ามาหาจิตใจทุกระดับถ้าหาว่ายัชู้งยังอ่อนพระองค์ก็จะสอนเรื่องทานสอนอว่าเออทาบุญให้ทา น, นก็ดีทาแล้วจิตใจมันเบิกบานจิตใจมันอิ่มเอิบ มันก็มีความสุขความสบายมีความสงบอะแล้วก็สติรักษาจิตใจเ ป, นน เ, เป็นสมาธิได้ง่ายได้เร็วเป็นสมาธิขึ้นมาจนกระทั่งจิตใจตั้งมัน่นแล้วก็เป็นวิปัสสนาขึ้นมาสามารถรู้ความจริงได้ถ้าว่าจิตมีความพร้อมแล้วพระองค์จึงจะสอนเรื่องอเยสสติกก็ต้องพูดถึงทานพูดถึงศีลจั้บรวมกายวาจาจิตใจเนี่ยรักษาศีลแล้วมันก็ท่านบอกว่าอันนี้มันมันมันเป็นมหาฐาน ผลมหาทานเนี่ยก็คือการอเราไม่ไปบีบเบียนสัตว์อืน่นันเองให้อภัยสัตว์อืน่นไม่ทําร้ายสัตว์อืน่นมิให้กาต่อสัตว์อืน่นนี่พระองค์ทรงเรียกว่ามหาทานเลยเนะี่ยไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้เรียกว่ามหาทานไม่ใช่จะ ป, ปล่อยมหาทานคือปล่อยสัตว์ตัวใหญ่ๆเช่นปล่อยวัวปล่อยควายปล่อยมา้าอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมัเรื่องมหาทานจะปล่อยเยอะขนาดไหนก็าตามหรือทอดกะถิ้นทอดผ้าปา่ปาได้เงิน เป็นกี่ล้านก็ดำเพระองค์ไม่ได้เรียกว่ามหาทานเลยเนะพระเาะองค์บอกว่าเนี่ยคือมหาทานก็คือรักษาศินทั้งห้ามีศีลห้าเป็นการที่เรียกว่าทั้งไม่ดีเดียนศัตื่นะไม่ดีเดียนคนอื่นนะทั้งไม่ดีเดียนตัวเองด้วยท่านยังเรียกว่ามหาทานแล้วก็เป็นห่วงบุญห่วงกุศลด้วยหวงบุญหวงกุศลที่ยิ่งใหญ่ น, น, นั่นก็คือตัวบุญก็คือตัวศีลนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าเรารักษาศีล อ, อย่างน้อยแต่ศีลห้าอันนี้ก็เป็นห่วงบุญห่วงวบุศสนบุญเจ้าบอกแล้วก็ทําให้มีอารมณ์เป็นเลิศแล้วก็ทําให้มีความสุขเป็นผลแล้วก็สามารถเป็นไปเพื่อความสมปรารนาในสิ่งน่ารักน่าไข้น่าชอบใจนี่มันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรยนะตารที่ทํารักษาศีลอย่างใช้ชีวิตอย่างถูกต้องเนี่ย มันมีคนดีเกิดขึ้นจริงบางทีบอกเอ๊ะรักษาสิ่เฉยๆเราไม่ก็คือทําการทํางานไปด้วยแต่ว่าเรามีสิ่มีธรรมไปด้วยนะไม่ได้ไหมเพราะว่าถ้าหาว่าเไม่ทําอะไรเลยถ้าหาว่าเราอยู่ในเพศนักบวชมันก็อีกอย่างหนึ่งนะโคตรสังคมเขายอมรับกันเพราะฉะนั้นเราสามารถแสวงหาข้าวปลาอาหารอะไรได้แล้วก็ทําหน้าที่ยิงเราให้ถูกต้องประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้จิตใจของเราเนี่ยออกจากทุกข์ อย่างน้อยจะเป็นตัว อ, อย่างที่ดีสงบเยือกเย็นหรือว่าสามารถนําเอาความรู้ความเข้าใจที่มันทุกมันน้อยลงไปความทุกมันหายไปเนี่ยเอามาบอกสอนกันต่อไปเนี่ยเป็นการที่นําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นต่อไปอันนี้พระพุทธเจ้าก็บอกเอาไว้ว่ามันมันเป็น มันเป็นไปเพื่อให้ได้สิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าชอบใจมีสุดเป็นผลเป็นไปเพื่อการาสุคติไปสู่สุคติแล้วก็หลภสวรรค์แล้วก็ทีจริงพระองค์ต้องการให้เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติทางจิตใจเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานนี่แหละเพื่อออกจากทุกข์แต่ว่าในเมื่ออินทรีย์อ่อนก็ต้องพูดเพื่อให้จิตใจเนี่ยมันมีกําลังซะก่อน บางทีพระองค์ก็พูดเรื่องทานนี่แหละดี๋ยวพวกเรามาเนี่จะเห็นมาเออไปที่ไหนก็ถ้ามีความจําเป็นมีเหตุมีผลก็ทําบุญไปทําทานไปเนี่ยถาวายข้าวปลาอาหารอะไรต่ออะไรเสียสละสิ่งกันอะรกันเมื่แสดงออกให้เห็นนะ่ะเนี่ยว่าพวกเราเนี่ยมีความพร้อมใ น, ในเรื่องทานใครมีน้อยก็ใครจะไร่ะให้น้อยไม่มีปัญหาอะไรใครมีมากให้ามากเพราะว่าสิ่งเหล่านี้อันที่จริงเนี่ยมันเป็นเรื่อง เป็นเรื่องของสิ่งที่มีอยู่ในโลกเพราะเราเกิดมาแต่ละคนมันไม่มีอะไรมานอกจากบุญกับบาปกรรมดีกําชั่วที่มันติดตัวเรามาแล้วเราก็มาแสวงหาได้ที่หลังไอ้พวกทรัพย์อะไรพวกนี้ถือว่ามันเป็นกลางกลางเละในเมื่อเรามีมากเพียงพอเนี่ยเราเอามาใช้เกิดประโยชน์แต่เราเองเนี่ยทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้าด้วยแล้วก็เพื่อมรักผลนิพพานด้วยทำ น, นี้จริงึงสมบูรณ์ขึ้นมาถ้าเข้าใจตอนนี้เราไม่ยึดไม่ติดไม่ข้องก็เออมันมีมากก็ดีแล้ว อย่างน้อยอะไรอชีวิตของเรามันก็มีความสุขความสบายขึ้นมาแล้วเราก็ที่เหลือเราก็ปล่อแผ่ออกไปมันก็เป็นประโยชน์แก่ตนเองด้วยแก่คนอื่นด้วยถ้าเป็นประโยชน์ในคนอื่นก็เป็นประโยชน์กับเราโดยอ้อมด้วยมันก็มีประโยชน์กับเราไม่ยังไงยังไงก็ต้มีประโยชน์กับเราเจนได้แล้วพระองค์ก็บอกว่าถ้าทานศีลเนี่ยถ้าหากว่ า, าเรายัางไม่พ้นทุกข์อย่างน้อยสุขสิทธิเป็นที่หมาย การเวียนว่ายตายเกิดของเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆสุขติทธเป็นที่หวังมนุษย์ดัางเทวดาบ้างแล้วก็สวยผลของบุญเหล่านั้นอ่ะมันก็มีทําให้เรามีความสุขไปแต่ถ้าว่าเราติดอยู่แค่บุญทาบุญมากๆจะได้สวยบุญมากๆและพวกเราเนี่รู้ดีอถ้าใครบุญมากๆแล้วก็ออยากจะเกิดบ่อยๆเกินมากๆเพื่อเพราะบุญมากจะได้กินบุญมากๆสวยบุญมากๆ ก, ก็คือเวียนว่ายตายเกิดในวัฏจักรซ้ำๆดีๆ ถ้าไว้ผลบุญไปไอ้ออทุกทางจิตใจมันก็มีไงมันหนีไม่พ้นน่ะพวกมันมีอุปาทานอยู่มันมีความอยากมันมีอยู่อวิชชาความหลงอยู่ในนั้นน่ะนีไม่พ้นมันก็ออกจากทุกข์ไม่ได้อยู่ดีเอ่ยเราจะไปคิดถึงใจแง่บุญแง่สุขสบายจากทรัพจากวัตถุข้าวของอ่ะมาหล่อเลี้ยงหลังกายของเราอะเกิดความพอ อ, อพอใจมีความสุขไปเล็กๆน้อยๆ อ, อ่ะ แต่ว่าเวียนว่ า, ายตายเกิดในวัฏสงสารมันไม่คุม้มพระองค์บอกว่าเออคุณของทานของศีลเนี่ยมันก็ไปสวรรค์หรือไปสุคติอะ่ะแต่ว่ามันเป็นทุกนามันเวียนว่ า, ายตายเกิดในวัฏทุกนาไม่มีที่สิ้นสุดนาบางทีหมดบุญแล้วมันก็ตกนรกได้เป็นสัตว์เดรัจฉานได้เป็นเปรตเป็นอาชุลกายได้นี่จะเป็นมนุษย์เยนี่เราก็รู้แล้วว่าชีวิตในแดนมนุษย์เนี่ย re. ทั้งที่มีทั้งผลบุญ ทั้งกรรมดีกรรมชั่วเราสุขสบายขนานี้ดีกว่าสัตว์ตังต้งเยอะตั้งแยะแต่ว่ามันก็ยังทุกข์อยู่เราก็เห็นชัดๆอยู่แล้วเนี่ยเอาแค่มอ ง, มองเอาที่มองเห็นนี่แหละว่ามองเกลียบเที่ยวไม่ต้องไปเกลียบเทียบพวกผีพว ก, พวกไปรพวกอะไรที่มันเที่ยวมาขอบุญขออะไรมันลุ่มร้อนมันเศร้าหมองมันทุกข์มันทร ม, มานเอาแค่ตาเราเห็นนี่แหละเอาสัตว์เดียวละสามเลยมองเห็นเลยเทียบกับเราเนี่ยชีวิตของสัตว ขอมนุษย์นี่แหละก็ยังเราก็ยังมีทุกข์อยู่แล้วไอ้ศัตรูมันจะทุกข์ขนาดไหนมันก็ยิ่งทุกข์กว่าเรามากเท้าเห็นร่าใจเกิดมันก็มีแต่ทุกข์องค์ก็เช้าเห็นว่า น, นเนี่ยถ้าจิตจะยึดไปจิตไปคล้องเราวนเวียนอย่างนี้ไม่ไหวไม่มีที่สุดแล้วต้องหาทางออกหาทางออกก็คือต้องสํารวมจิตดีๆมีสติเข้ามารักษาจิตเอาไว้ทีนี้เข้ามาหาอริยสัจสน่ะลยทีนี้เข้ามาหามรรยามรรษก่อนหาทาง ออ ก, ก็คือทางปฏิบัติก็คือต้องสัมบูรณ์จิตเอาสติเข้ามารักษาจิตไว้ถ้ากลุ่มต้นก็คือเอาามันธรรมชาติของจิตมันผ่องายอยู่แล้วคุณจะบอกจิตมันนู่นนี่อะไรอะ่ะมันเป็นธาตรู้เฉยๆ ม, ม, มันมันมันมีหน้าที่รู้อารมณ์แต่ทีนี้อุปทานของเราความอยากความต้องการของเรามันก็ไปดึงเอาเรื่องราวข้างนอกเอาเข้ามากุ้มลุมจิตเสร็จแล้วอารมณ์เหล่านั้นก็เลยเป็นเราเป็นของเราขึ้นมา เราก็ไหลไปกำมันเพลินไปกำมันคุ้นคิดปรุงแต่งอยู่กับมันเราก็เสียเพราจิตของเรามันไหลออกไปคือจิตไม่มีกําลังจะเรียกว่าไม่มีกาลังก็ได้ถ้าจะหันมันมองดูว่าเอาสติก็ไม่มีกําลังสติก็อ่อนเมื่อสติอ่อนสมาธิก็ไม่มีกำลังมันอไงไม่ตั้งมั่นเมื่ไม่ตั้งมั่นกําลังของจิตไม่พออารมณ์ต่างๆมันก็เข้ามาพุมลุมจิตครอบงำจิตจิตของเราก็เป็นเนื้อเดียวกับอารมณ์เหล่านั้นมันก็ถูกอารมณ์ครอบงําแล้วอ่ะเมื่อคุ้นคิด กับเรื่องเล่าเหล่านั้นเป็นทุกข์อยู่กับเรื่องเหล่านั้นมันเป็นทุกข์เลมันไม่ใช่ว่าจะไปโทษข้างนอกนะมันโทษเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันมีกําลังเพราะเราไม่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่มีหลักที่จะฝึกจิตฝึกใจของเราให้มีกําลังให้จิตของเราเนี่ยมันมันมันมีภูมิต้านทานขึ้นมาหรือให้มันมีสติมีสมาธิปัญญาขึ้นมาเห็นว่าอารมณ์เป็นอารมณ์เท่านั้นเนี่ย มันก็จะระวังได้ถ้าจิตมีกําลังว่าเออมันเป็นอารมณ์มันจะเข้ามาแล้วไม่เอาไม่เอาเนี่ยจิตของเราก็จะเป็นอิสระตั้งมั่นขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆอารมณ์อื่นมาทีนี้มันไม่เอาหมดแล้วมันก็เหมือนกับเมื่อวานที่บอกว่ามันก็เหมือนกลิ่นไม้เหมือนท่อนไม้เหมือนใบหญ้าซึ่งเขาลากไปแล้วก็เผาไฟมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราหรือไอ้เนี่ยถ้าเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเราได้ยินเสียงเอาเสียงก็อยู่ส่วนเสียงแล้วมันอยู่ข้างนอกเขาก็ ธรรมดาตรงนี้มันก็เป็นที่ราบที่ไหว้ที่เคารพที่บูชาที่ประพฤติปฏิบัติมันเป็นที่เป็นประโยชน์เป็นสาธารณะแก่ผู้ที่มีความศรัทธาเลื่อมใสเขาก็ไปเขาก็มาของเขาก็ในเมื่อเป็นที่สาธารนณะเราก็นั่งฟังทมกันปฏิบัติทมกันเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปตามเรื่องตามราของเขาไปเราก็อยู่ของเขาไปถ้าเราวางใจถูกเราก็ไม่ไปเอาเรื่องข้างนอกเข้ามา ทีนี้มันหดเข้ามาเอาเรื่องที่บ้านเราเรื่องที่ทํางานของเราเรื่องประเทศชาติบ้านเมืองของเราเรื่องครอบครัวของเราเรื่องเพื่อนเรื่องฝูงของเราเ icamente, หรือหดเข้ามากับเรื่องกลุ่มของเราเรื่องอที่พักที่อาศัยมันเป็นยังไงก็เอา้าเราก็รู้หลักเราก็เข้ามาหาจิตเราห้องน้ําห้องท่ามันเป็นยังไงที่อาบน้ำอาบท่าเป็นยังไงมันสําคัญที่ติดหมดแล้วทีนี้เรารู้หลักแล้วทีนี้ความทุกข์ความเดือดร้อนก็ลดลง เพราะเราไม่เอาใจของเราไปผูกเรื่องเหล่านั้นเข้ามาไม่ประทุษสารจิตตัวเองก็เลยรู้หลักวิธีที่จะควบคุมจิตรักษาจิตปฏิบัติจิตนื่พรอะองค์เนี่ต้องการให้จิตของเราเนี่ยมันมีกำลังรึเปล่าถ้าไม่มีกําลังก็อกะไรอย่างเ้ยรู้ก็ดูแต่มันทําไม่ได้อ่ะรู้แล้วมันก็ยังกุม้มลุ่มอยู่เดี๋ยวก็โผล่มาแวบมาแล้วก็ปรุงแต่งแล้วแวบมาปรุงแต่ ง, ง, ต ง, ง, ตงมันก็พุกงอยูอย่างเก่า ว่าอันนี้ก็แสดงว่าการปฏิบัติของเราหน่อยรู้แล้วก็ต้องปฏิบัติด้วยมันมาที่นึ่แล้วแน่ที่นี่แต่ใคําสอนของพระเจ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมหลักของกรรมหลักของการกระทําแล้วก็ต้องหลักที่ต้องมีความเพียรปฏิบัติด้วยแล้วก็มีเหตุมีผลลองรับหมดเลยต้องพอใจสร้างเหตุพอใจปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วผลก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นเองด้วยอย่างเช่นเราเนี่ยสํารวมจิตใจดีแล้วเนี่ย สติมันดีขึ้นมาแล้วมันจะควบคุมจิตเองเนีย่ยตัวสติเนี่ยจิตก็สงบได้เองไม่ต้องไปอยากสงบไม่ต้องกลัวไม่สงบไม่ต้องอยากได้สมาธิไม่อยากได้อยากได้ปัญญาไม่ต้องอยากได้ธรรมะแต่สร้างเหตุให้ถูกต้องมันก็จะมาที่นี่พอเราได้หลักแล้วทีนี้เราก็สร้างเหตุให้ถูกต้องใช่ไหมทอะไรก็พยายามสำรวจให้มีสติไว้พระพุทธเจ้าก็สอนลงมาที่จิตกุศ ไม่มีสติรักษาจิตไว้ไม่ใจิตเนี่ยไหลไปเอากับอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์มเข้ามากุ้มลุมจิตนี่แหละเรียกว่าเราไม่ปัจจุศาลายตัวเองนะกับทําให้จิตของตัวเองเนี่ยมันดีขึ้นเราเป็นกุศลกันทีเลยนะนี่มันเรียกว่าภาวนาเนี่ยไหมว่าทําให้มันเจริญขึ้นทําให้กุศลนี่เจริญขึ้นแล้วก็เมื่อมันเจริญแล้วก็ทําให้เจริญยิ่งขึ้นไปก็คือต้องปฏิบัติลง ม, มาที่ตามปฏิบัติ ปฏิบัติก็พอใจสร้างเหตุเมื่อพอใจสร้างเหตุรู้หลักสูตรของพระเจ้าแล้วรู้หลักการปฏิบัติของพระเจ้าแล้วก็ปฏิบัติ ल, พ อ, พอปฏิบัติแล้วทีนี้ก็พอใจสร้างเหตุไม่ได้จะอยา ก, ยากให้มันสงบไม่อยากได้สมาธิไม่อยากได้ปัญญาอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่า ง, งนี้ทำไมคนอื่นเป็นอย่า ง, ง น, นั้นเห็นอันนั้นเห็นอันนี้ทําไมเราไม่เห็นนะไม่รู้ไม่เห็นอะไรไม่ใช่อย่างนั้นให้พอใจสร้างเหตุพอใจสร้างเหตุแล้วก็ให้พอใจปฏิบัติทิ้งแล้วก็ปฏิบัติให้มากขึ้นเลยนะทีนี ไม่ให้คอยหลังแล้วได้ไหมปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไอ้มีความมุ่งมั่นบากบันกินไม่ประมาณแล้วไม่ทัดรั้นประกันเพิ่งแล้วไม่ทำนิน ด, ดน้อยน้แล้วก็พอใจเอาแค่นี้ละโตทำให้มากขึ้นาทาจนเป็นนิสัยเลยทําอะไรอยู่ก็ตามถือเป็นการปฏิบัติทำไอ้อย่างนี้มันเป็นทําตามที่พุทธเจ้าสอนแล้วก็ต้องมีจุดหมายด้วยชพื่อประคองจิตให้ตั้งมัน่นไม่ไม่ต้องเอาจิตให้ตั้งมัน่นถ้าจิตมันสงบมันพักอยู่ที่ไก็ไม่ได้อ่ะ แต่ว่าจิตของเราเนี่ยมันยังมันยังต้องการแต่ถ้าหาว่าเออมันเวลาไหนก็ไปพักหนึ่งเดือไหนก็พักหนึ่ถึงมันจะลึกลงไปขนาดไหนมันก็ไม่สามารถที่จะมารู้ความจริงได้ก็แสดงว่ามันมันไม่ได้แล้วเพราะว่ามีสมาธิบางประเภทที่มันเข้าไปลึกมากลึกจนกระทั่งมันทําอะไรไม่ได้เลยมันต้องถอยออกมาสักถอยออกมาต้องรอเวลานมันถอยออกมาถอยมาแล้วทีนี้พอดูขันห้าไดเอามาดูขันหน้าพอมันดูไอ้ปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับจิตที่เห็นว่ามันไม่เขี่ยงเต็นทุก อันี้จังทุกขังอนันตาอย่างนั้นน่ะถือว่าให้มันเห็นความจริงเห็นพราไตรักอย่างนี้มันจึงเกิดปัญญาเพราะเห็นความเปลี่ยนแปลงเพราเห็นความเปลี่ยนแปลงจิตมันก็จะไม่อยากยึดมั่นถือมัน่นจิตมันจะคลายความยึดความติดความคล้องมันจะค่อยค่อย่อยค่อยค่อยวางออกไปเนื้อในหลักหลักธรรมของเจ้าก็เป็นอย่างนี้ก็คือหลักปฏิบัติจิตนี่เองไม่ว่าสอนแบบไหนก็ตามอะ่ะพระองก็สอนเพื่อที่จะเข้ามาที่จิตมาแก้ที่จิตมาอบรมจิตปฏิบัติจิต ถ้าหาว่าถ้าหากว่าจริง์มันยังอ่อนเนี่ยก็ต้องฝึกไปก่อนรักษาจิตเอาไว้เพื่อให้จิตเนี่ยมันเป็นอิสระจากอารมณ์นั่ก่อนคือมันริงสมาธิสังขารที่เคยตึงแก่จิตให้มันดับไปให้จิตมันอยู่นานขึ้นแล้วก็ถ้ามันมีกําลังแล้วทีนี้อะไรเกิดขึ้นมันเริ่มรู้เริ่มเห็นเนี่ยมีสติสัมปชัญญะขึ้นมาทําไปพอจิตต้ามั่นขึ้นมาทีนี้มองหมูก็จิตมองดูอยู่ที่เฉยเหมือนตอนเนี้ยเราได้ยินเสียงเราก็ไม่สน่จ มันไม่เข้ามาที่จิตเราเมื่อเรารู้แล้วเสียงนกก็ยินสบายมากมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเสียงคนก็คือเราไม่ส่งจิดออกไปรับมันเข้ามาได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นมาทีนี่มันก็คล้ายๆกันเน่ยทีนี้อยู่ข้างในอ่ะมันมันจะเป็นอะไรก็ตามอวิวทนาทางกายก็ตามมันจะเจ็บจะปวดจะมึนจะชามันจะมึนมันจะหนักมันจะบีบมันจะมืน่นมอนี่ เราก็พยายามให้จิตของเราเป็นผู้รู้แบบนเมื่อเงเวชุ่มก็เหมือนกันเ ร, เราพยายามตั้งสติกกเป็นผู้ดูแลเราจะรู้สึกรู้ตัวเร็วนะต่อไปถ้าใครรู้วิธีนะพอมันจะง่วง c, ตั้งสติกกดูถอยจิตออกมาเลยอย่าให้จิตไปจมอยู่กับไอ้ไอ้ไอ้ทีนัมมิทะเหล่านั้นกับนิวรณ์เหล่านั้นพอมาปุ๊บจิตมีกําลังนอกเหนือบางครัง้งบางคราวเนี่ยเออมันก็ทําได้บางครั้งทําไม่ได้แต่มันมีหลักสูตรอยู่แต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยพอมันเริ่มง่วง๊ c, เรายกจิตของเราขึ้นมาหรือขยับจิตหรือปรับจิตหรือทําจิตให้เป็นผู้ดูได้บางทีมันหายได้เลยอ่ะหายได้กับตื่นตัวขึ้นมามาัมันกับเป็นวิธีที่ทําให้เรารู้จักวิธีแก้จิตของเราได้ไม่ให้มันไหลไปกับนิวรณ์จมกับนิวรณ์ก็เหมือนกับมันไม่ไ ห, หลไปกลารลมอัอืนอ่นเนี่ยอันอื่นโผล่มาปั๊กตั้งใจเป็นผู้ดูเราเป็นแค่ผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นคราวนี้จิตของเรามันมีกํำลังแล้วทีนี้มันสามารถดูได้แนละ้ว ถา arrive, through, been been created, ้ามันดูได้อย่างนี้อแล้วอารมณ์มันเป็นจิตได้ยังไงอ่ก็จิตเป็นตัวดูอยู่มันดูอยู่อ่ะความเจ็บมันมันจะมาเป็นจิตได้ยังไงมันจะเป็นเราได้ยังไงเพราะเราดูอยู่อ่ะนอกจากว่าจิตเรากําลังไม่พอนะมันก็ไอ้เราสู้ไม่ไหวเพราะความเจ็บมันมีกําลังมากกว่าตัวปัญญาเราเนี่ยตัวตัวอินทรีย์เรามันอ่อนมันก็จะยึดความเจ็บความปวดว่าเป็นเราไปก่อนแต่ถ้าหาว่าใครเนี่ยเอาทนไปดูไปก่อนดูไปถ้าจิตมีกําลังขึ้นมาอีก เนี well, so s <S ่ยม so ัยหมายว่าตอนที evet so so, kind of of ่ม so, ันมันดูเนี่ยมันจะมีสติดูตัวสติเนี่ยมันก็เป็นกําลังของจิตเขาเรียกว่าสติพละต่อไปอ่ะเหมือนว่าสตินี่แหละมันจึงกําลังของจิตสติพละหมายว่าพละคือพลังหรือกําลังกําลังคือตัวสติเมื่อมีสติอยู่ตรงไหนสมาธิก็อยู่ตรงนั้นกลายเป็นสมาธิพละเนี่ยมันเริ่มเริ่มสร้างกำลังแล้วไอ้ตัวจิตเนี่ยมันรู้ด้วยว่าไอไอเวทนาเนี่มันอยู่ที่ร่างกายถึงเรายังทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่มันก็จะกลายเป็นปัญญาพละขึ้นมาความพยายามของเราก็เป็นวิญญาณพละ เป็นพลังแห่งความเปลี่ยนหรือว่าเราก็มีความเชื่อมั่นในคําสอนของมุญญาอันนี้ก็เรียกว่าสภาพระละพวกนี้มันรวมเข้ามาเป็นกําลังของจิตทีนี้วิจิตมี้กำลังก็มันถอยมาได้จริงจริงโดยเาะขณะที่มันเริ่มเริ่มมีกําลังมันก็เหมือนถอยห่างออกมาเหมือนความเจ็บความปวดความทุกข์หรือเรื่องราวอะไรที่มันเคยใหญ่โตกุ้มลุมเรื่องภายในจิตก็ดามมันเหมือนกับมันเบาลงทันทีเลยเหมือนมันห่างออกมาจากจิตของเราได้ทันทีเลย ที่แรกก็ต้องพยายามก่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเพียนไปแล้วเนี่ยมันจึงเพียนรักเพียนปะหารด้วยต้องไล้กั้นก่อนถ้ากั้นไม่ไหวกำลังไม่หอมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาก็ต้องเพียนปะหารเพียนปะหารนี่คือเพียนดูเพียนดูเพียนเพียนเพื่อให้จิตเนียมันสร้างกำลังสร้างกำลังึ็ต้องอดทนต้องอดทนต้องมีสติเพื่อให้มีสมาธิเพื่อมีปัญญาต้องอาศัยกำลังใจ กำลังความเพียรกําลังความอดทนอดตั้มเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีความมุ่งมั่นบักบัน่นเหมือนพระ อ, องค์เพราะนั้นความเพียรในจิตของพระ อ, องค์เนี่เต็มร้อยเลยมุ่งมั่นบักบั่นเป็นที่เลยเนี่ยแต่วันที่รรพระองค์จะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณนั้ยก็เห็นว่าพระ อ, องค์เนี่ยแสดงถึงความมุ่งมั่นบักบั่นอย่างแท้จริงสลัชีวิตเลยไม่ได้คือตายเ ด, า ด, ด็กคาบไปลงใบเลยเนี่ยอ่าเรียกว่าเรือวัด เ, เสี่ยงชีวิตกันเลย ไม่ได้คือตายนี่นนี่คือความมุ่งมัน่นแบบความไม่ท้อถอยภายในจิตเพราะนั้นอะไรเกิดขึ้นกับดาวเนี่ยถ้าหจิตของเรามีกําลังเราไม่กลัวหรอกอารมณ์ทุกอย่างมาได้ต้องใสได้เกิดได้ต้องดับได้รวมทั้งปัญหาทั้งหมดมีทางออกหมดเลยบางครั้งบางคราวมันเหมือนจะไม่มีทางออกเหมือ น, นเราจะตายให้ได้นั่นคือจิตเราอ่อนแอเหมือนจะไม่มีทางออกจริงๆแล้ว เมื่อมันมาได้ต้องไ ป, ดง ไ, ปดได้เติบได้ต้องดับได้อ่ะสนวนจิตใจนะเราก็เข้ามาที่จิตของเราวก็ว่าเราก็พอรู้วิธีการแล้วเข้าใจแล้วถ้าเรามายัางที่ประทับของพระพุทธเจ้าก็องค์ก็สอนให้เข้ามาดูจิตเรามารักษาจิตของเราอันนี่แหละแล้วก็พยายามที่จะให้จิตของเราเป็นกลางๆแล้วพระเจ้าก็สรุปลงแล้วว่ามันมีอุปทานในคําทั้งห้านี่แหละก็คือเรามายึดติดตากับใจเรานี่แหละ ผูประธานในขันทั้งห้าคือตัทุกเนก็คือร่างกายเราไม่อยากให้เจ็บไม่อยากป่วยอยากไข่อยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการอยากให้มันสวยอยากให้มันงามออยากให้สมบูรณ์ไม่อยากให้เจ็บอยากป่วยมันก็เจ็บก็ป่วยไม่อยากให้มันหยันมันยานมันก็หยันก็ยามอยากให้มันตึงมันก็ไม่ตึงอ่ามันก็เหี่ยวก็ย่นเนื่อมันก็ต้องยอมรับกันผมก็มันก็หงอกไปส่นนั้นส่วนนี้ทุกโฉมไปสึกล้อไปเราก็ต้องยอมรับ ถ้ามันพอซ่อมแซมได้ซ่อมแซมไปซ่อมแซมไม่ได้ก็ยอมรับไปแล้วก็เรียนรู้เอาสิ่งเหล่านี้มาสอนเราเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมันปล่อยมันวางให้มันเห็นความจริงเห็นความจริงก็ต้องมีทางก็คือเรียมรักก็คือปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อแล้วก็ให้ดูก็ให้ดูสภาวะทุกข์ทุกข์ก็คือสภาวะที่มันไร้สาระเมื่อลำไส้ของเราเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดับไปเดี๋ยวมัตายไปแล้วทำมาทุกข์ในที่นี้ไม่นี่ ถ้าหาว่าพูดถึงทุกจริงๆเราก็มักจะเน้นที่ทุกใจใช่คือถ้าเราไม่เห็นว่าเออสิ่งเหล่านี้มันไร้สาระมันเป็นสภาวะที่มันเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันแล้วมันมาทุกข์พิจิตทุกขพิจิตเนี่ยคืออริยสัจหมายว่าทุกในอริยสัจหมายว่ามันมาทุกขพิจิตของเราเวลาผู้เจ้าประกาศอริยสัจก็เพื่อก็คือหาทางให้มันไม่เห็มันมาทุกขพิจิตของเราก็คือให้มันเห็นแค่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะไม่ใช่ของเรานะมันคือสภาวะทุกที่แ้จริง แล้วมันจะไม่ทําให้เกิดทุกข์ในจิตของเราเองทุกข์ในจิตก็คือมีน้ําหนักขึ้นในจิตบางทีนี้เมื่อหน่อยๆเดี๋วมันนต้งๆน้นเงินมีอะไรเนี่ยนี่นีเนี่ยๆๆก็คือมันมีทุกข์แล้วทุกข์อยู่ในจิตแล้วมีน้ําหนักขึ้นในจิตแล้วแต่พระองค์ก็ไม่สอนให้กลัวนะให้กําหนดรู้หนะมีทางออกเลยนะเพราะนั้นท่าปฏิบัตินี้ก็คือดูเลยทุกข์ก็ให้กําหนดรู้ไม่ว่าทุกข์กายหรือทุกใจ มันมานี่ดูได้เลยเห็นมเห็นว่ายศศักดิ์ชาติเยนเลยเนี่ยอขาจะสอนทุกให้กําหนดรู้นี้คือทุกให้กําหนดรู้ถ้ามันวางได้ก็มันก็รู้แล้วว่าพอมันดูแล้วมันวางเพราะนั่นเวลาเวลามันละเหตุแห่งทุกข์ก็คือว่าขอให้มีสติสัมปชัญญะเข้าไปกําหนดรู้เข้าไปดูเข้าไปเห็นแล้วมันวางของมันเองพอวางของมันเองแล้วเนี่ยทุกก็ไม่มีในจิตก็เป็นมิโรดชั่วค้าวไปก่อน เขาเรียกว่าตัณฑ า, าข้ามนิโลธนิโรธชั่วคราวไปก่อนแต่ปฏิวัติไปปฏิวัติไปเมื่อถึงเวลาสมบูรณ์เมื่อไหร่มันก็คือเรียกว่าสมุทเฉทานิโรธเรียกว่าดับสนิทไปเลยทุกดับทุกไม่เกิดอีกตอนแรกก็เอาดับชั่วคราวให้เห็นมันมันมันก็ดีแล้วเนี่ยเพราะนั้นไม่ว่าผู้เจ้าจะสอนใครก็ตามก็สอนไปตามอินทรีย์ที่เฉยหรอกแต่เป้าหมายก็คือถ้าหาว่าเออเป็น อยากโยมเนะี่ยเป็นอุบาสกมามาถามหม อ, อถ้าแต่พระผู้เจริญข้าพระเจ้าเป็นอุบาสกทำยังไงล่ะยงจะเป็นสาวกที่ดีได้พระเจ้าบอกว่าเออก็อให้รักษาชิ้นห้านี่แหละมีโอกาสก็ทําบุญทำทานไปตอนอุโบสถอะไรก็เข้ามารักษาชิ้นอุโบสถน ะ, ะแล้วก็ต้องทอําจิตใจของเราเนี่ยให้มันมีจิตจิตราโมทก็คือให้จิตมันมีสมาธินั่นเอง พงศสอนเทศนี้พงศ ก, ก็หยุดแล้วก็คือว่าให้มีพื้นฐานเชกก่อนเนยประเภทนี้อินทรียังอ่อนมากแล้อเอาทำบุญทำทานไปนะรักษาศีลไปนะถ้ามีโอกาสวันพระวันอะไรก็เข้ามารักษาอุโบสถศีลถวายทานมันทำให้จิตใจมีจิตจ ป, ป, ป, ประโมทเป็นสมาธิถึงใครปฏิบัติแล้วมันมีกำลังแล้วเขาก็ทำต่อไปได้ก็ต้องสุดท้ายต้องมาสู่สมถ า, าวิปัสสนาชิงส่งขึ้นไปอีก นันก็คืออินทรีย์ของระดับนั้นพวกก็สอนไว้ก่อนรอเวลาให้เขาจเจริญข้าหน้าขึ้นหรือถ้าชาตินี้มันได้ขนาดไหน ก, ก็ตองก้อยอย่างน้อยใจเขามีทางออกอ่ะทุกมันน้อยลงไปไม่ไม่ไม่ไม่อาจจนเต็มที่ภายใน จ, จิตใจ ก, ก็ก็ดีแล้วแต่ถ้าใครที่มันพร้อมอย่างพวกเรามันพร้อมแล้วเนี่ยส่วนใหญ่พร้อมกันแล้วก็เข้ามาดูจิตเลยเข้ามาสังเกตเลยว่าจิตเรื่องอยังไงมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วมันเข้ามาหาจิตเราไหม มันทําเราเป็นทุกข์ได้ไหมถ้าวิจิตเรารู้มันไม่เป็นทุกข์หรอกจิตก็แค่เป็นผ่าตุรู้เฉยๆแต่ถ้าว่ารู้ดูเฉยๆแต่พาะวจธรรมมันก็เป็นพระวจธรรมอ่ะมันก็อยู่เข้ามันไปอ่ะไม่ว่าสภาพร่างกายเราเป็นอย่างไงมันก็แสดงธรรมเข้าออกมาว่าเออร่างกายมันเป็นอย่างนี้แหละนั่งนานก็มีบ้างที่เจ็บปวดเพราะเรือลมมันวิ่งไม่ใช่ดว่แล้วก็น้ําหนักมันทับลงในข้างล่างแม้แต่พู่ๆนี้ก็เหมือนกันมันก็ทับอยู่ตงกลงมันก็เห็นน่ะมันก็เปลียนเหมือนกัน ก็ดูดีเฉยอ่ะมันเจ็บรู้มันเจ็บเนี่ยก็เปนเรื่องการก็เป็นอย่างนี้แหละจะให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอกก็เรานั่งทับน้ําหนักมันกดลงไปอะ่ะเรือลงวิ่งไม่สะดวกมันขัดมันข้องก็ต้องนิ่งพี่จะไปเป็นพิลังกายคนอื่นมันก็ไม่ใช่เพราะว่าร่างกายของเรานั่งทับสาเหตุมันอยู่ตรงนี้น้ําหนักมันกดลงไปมันก็เอา่านานเท่านานเท่าก็เจ็บถ้าเราไม่ขยับไปเยี่นถ้าเราอยาับดูเราก็ดูได้ เราอยากฝึกความอดทนก็ฝึกได้มันขึ้นอยู่กับเรานี่ถ้าเราอยากขยับก็ขยับได้เพราะมันเป็นร่างกายของเราแล้วเราได้ประโยชน์จากมันไหมถ้าเราจะเอาสุขเอาสบายจากมันหรือว่าเออร่างกายเรามันมีโรคภัยไข้เจ็บเราขยับก็ไม่ไม่เสียหายอะไรไม่ว่าอะไรับมันมีเหตุผลรองรับอยู่ในจิตของเราเป็นจิตของแต่ละคนคุณอื่จะมาว่านี่นขยับมาไม่ช่วเลยเอาเ็เรื่องของเขาไม่่เรื่องของเราเรื่องของเราเรารู้ความพอดีของเราเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของเราทั้งหมดเลยนะ แต่เราต้องศึกษาเรื่องของเราให้เข้าใจเข้าใจเรื่องชีวิตของเราเองธรรมชาติของเราเองแล้วทํายังไงชีวิตของเราจริงจะไม่มีทุกข์นี่มันตรงมาที่นี่เลยนะคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยกายกับจิตนี่แหละมันก็มีสองอย่างที่ใหญ่ๆเลยนะกายกับจิตกายก็มีเวทาานากายเราก็เอาพวกนี้แหละมาสอนจิตเรามาให้ร่วเป็นธรรมะจิตนีนก็มีอาการของจิตเน่ะในจิตมันก็มีตั้งเวทนาทางจิตมีสัญญา มีสังฐานมีวิญญาณคุณนี่ก็ทํางานไปสุดท้ายเจ้าจิตนี่นแหละเป็นประธานที่มันรู้หมดอ่ะถ้าจิตที่มันได้รับการฝึกฝนอบรมนะมันจะมีปัญญายามขึ้นมามันจะเห็นขันห้าทํางานได้เลยแนตะ่เจ้ที่เห็นนี่มันก็ไม่ใช่เราอีกแหละเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันมีปัญญาญามเกิดขึ้นมันมียามหมายว่าคุณมันคื บ, บัติของจิตนี่แหละ ที่มันมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นมาสามารถเข้ามารู้เห็นสิ่งที่มันปรากฏขึ้นมันจึงนญาณปัญญายาเพราะมันเห็นด้วยจิตเนี่ยเขาเรียกว่ายาตัวจิตเห็นเองในที่เราเห็นนะตัวจิตเห็นที่ได้เห็นแล้วถ้าว่าเราเห็นเออรู้ว่ามันเห็นรู้เห็นจิตเร า, าเป็นต่างๆลงได้สิ่งทั้งหล ก็เป็นสิ่งถูกเห็นไปสิ่งถูกเห็นมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปข้างันผ่านมาผ่านไปมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นเองมันก็มีมาทำให้เราเป็นทุกข์ได้จิตเราก็เป็นปกติอยู่อย่างนี้ยจิตเราก็เป็นกลางๆจิตเราก็ไม่ลงไปยึดเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาทำให้จิตเราเป็นทุกข์ได้ เราจะไปดูดตามมันทังไปอ่อนนะครัครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นี่พระองค์บอกว่าดูก่อนีิสูจทั้งหลายดูก่อนีิสูจทั้งหลายถ้าเธอไม่ฉลาดในวาระจิจของคนอื่นใจให้เธอมาฉลาดในวาระจิจของตนหมายอธิบาว่า ให้ฉลาดในวาแะจิตของตนก็หมายเพราะว่าเระองค์ต้องการให้ทุกคนเนี่ยหันเข้ามาสนใจเรื่องจิตของตัวเองเหมือนกับเราตอนนี้จิตเขาเราอยู่ยังไงต้องรู้เดี๋ยวเราจะหยุดละเราก็ต้องหันเข้ามาดูจิตของเรานี่แหละทาตามโอวทาททำคําสอนของพระเจ้าโดยตรงเลยตอนนี้จิต เ, เรามีอภิชาไหมคือความอยากมันมีการเพ่งเล็งอยากได้อะไรไหมเขาเรียกอภิชาเหมือนการเพ่งเล็งอยากได้อยากต้องการ หรือว่ามันไม่มีให้รู้ว่ามีหรือไม่มีมีความโกรธคุณเคืองไหมมีความพยาบาทไหมหรือว่ามันไม่มีแล้วนี่ก็คือให้มารู้อย่างเนี้ยรู้ว่าจิตของเราเนี่ยมันเป็นยังไงมีความงุ่งเหงาซึมเศามีไหมหรือว่ามันไม่มีมีมากมีน้อ ย, มมอยก็เข้ามารู้ที่จิตเนี่ยนี่พระอง์บอกว่าให้ฉลาดในวาระจิตของตนเพราะมันเป็มเต็มไม่ได้ที่เราจะไปรู้ฉลาดในวาระจิตของคนอื่น ต้องมาฉลาดในวาและจิตของตนนีแสดงว่ผู้ค์สอนเขาไปหาจิตของแต่ละคนแล้วจิดพวกเรามันอยู่ยังไงก็ให้รู้ความโรคเกิดขึ้นก็ให้รู้มันมีหรือไม่มีความโกรธหรือความาทะเลบัติมีหรือไม่มีความว่มงาวงเนวายใจมีหรือไม่มีความปารกแรงกล้าทางร่างกายมีหรือไม่มีความฟุง้งซ่านมีหรือไม่มี ความเงเลยสงสัยมีหรือไม่มีจิตตั้งมั่นหรือว่าไม่ตั้งมั่นเนี่ยคือเขามารู้หมดเลยก็คือสรุปแล้วมารู้ที่จิตของเราบอกมันมันมันอยู่ยังไงมันเป็นยังไงการที่ไปดูร่างกายก็คือเพื่อให้จิตเรามันตั้งมั่นขึ้นมาหมายว่าบางที่จิตของเราเนี่ยมันไปดูอย่างอื่นมันมันมันหลุดง่ายมันตายง่ายเราก็ต้องตักลงที่กายใช่ไหมตักลงที่ อ า, อาการสามสิบสองก็ดับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายก็ดับลมหายใจเข้าออกก็ดับดืงเป็นธาตุดินน้ำลมไฟก็ดับเป็นซากศพก็ได้เป็นรกระดูกก็ดับสุดท้ายมันก็จะวางตรงนี้แล้วก็เข้าหาจิตเหมือนเดิมเราให้จิตเนื้อมันมันม่นคงช่ก่นอนเพราะนั้นไ อ, ไ, อไอ้กรรมฐาน ไม่ว่าจะเป็นอาณาปานาสติกายคตาสติดูอะไรก็ตามเวทนาจิตหรือว่าธรรมก็เพื่อเข้าหาจิตนี่แหละแล้วก็เพื่อให้จิตเนี่มันมันรู้ความจริงให้ให้จิตนี่มันสามารถเแยกออกมาได้ว่าไม่ว่าเราดูอะไรสุดท้ายไอ้สิ่งนั้นเป็นสิ่งทุกดูมันเป็นเหมือนสิ่งสิ่งหนึ่งหรอกมันไม่ใช่จิตหรอกสุดท้ายดูเนียเพื่อให้จิตเรามีความรู้ความเข้าใจดูให้จิตเป็นอิสระซะก่อนจากอารมณ์ พลอยมาจากอารมณ์มาเป็นตัวของตัวเองเนี่เรียกว่มมามันมั้่นไม่ให้อารมณ์อื่นมาคอบงํามันครอบงาจิตให้จิตเนี่ยมันเป็นอิสระจากอารมณ์แล้วมีความมั่นคงเปตัวงตัวเองอะไรเกิดขึ้นรู้เห็นได้เหมือนเรายืนอย่างมั่นคงมองไปหรือจิตรามั่นคงแต่มีอะไรเกิดขึ้นข้างนอกเราไม่เอาเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะจิตเรามั่นคงทนี้เข้ามาข้างในอีกทีนึ่ง เวทนาเจ็บจิตเรามั่นคงจิตเราก็เห็นว่าเวทนานอยู่ที่ร่างกายเท่านั้นเจ็บปวดมากขนาดไหนก็ร่างกายมันเจ็บมันปวดไอ้จิตของเราไม่ไม่ถูกไปไอ้ความเจ็บปวดดึงไปแต่คุกเข้ากับไอ้ความเจ็บปวดนั้นจิตเราไม่ไม่ไม่ไปคุกเข้ากับความเจ็บปวดนั้นจิตเราเป็นอิสระจากความเจ็บความปวดนั้นหรือมีความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นในจิตของเราอาการต่างภายในจิตของเราจะสุขจะทุกข์จะเฉยเฉยนี่ยังไงก็ตามจิตของเราไม่ได้เข้าไปจมอยู่กันไอ้สิ่งนั้น จิตเราถอนออกมาเป็นอิสระได้ความง่วงความซุ้ความเศราก็ตามจิตเราถอนออกมาได้เป็นอิสระได้นมีเรื่จิตตั้งมั่นแล้วนี่ตั้งมั่นถ้ามันรู้ความจริงด้วยเอาสิ่งเหล่านี้มันอยู่ของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันอะไรก็ทําให้จิตนี้มันฉลาดขึ้นรู้เรื่องรู้ราวมากขึ้นจิตก็มาเป็นยึอารมณ์พวกนั้นเข้าว่าเป็นจิตเข้าว่าเป็นตัวเป็นตนของเรานี่แหละและนี่เราทําลายอาวิชชาทําลายอยุปาทาน มันก็ไม่มีเกิดปัญหาขึ้นมาไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็วางเฉยนี่ละเหตุเป็นทุกนี่ด้วยการปฏิบัติมันอยู่ในจิตหมดเลยคําว่าอายะศาศสีเนี่ยมันไม่ใช่ทีละข้อทีละข้อถ้าว่ามันมันถือเวลามันตั๊กเนี่ยมันดูเข้าไปตั๊กมันอยู่ที่จิตเลยอ่ะทุกกาหนดรู้ตั๊กสมุทัยก็ขาดปั๊กนิรุตดับปั๊กมรรคก็สมบูรณ์อยู่ในนั้นมันจะอยู่ในจิตเพราะนั้นถ้าพุทธเจาให้ฉลาดในวาลกิจของตน แล้วหลังจากที่เราจะซื้อแล้วพวกก็ตัดกับพิสูุท์ตงหลายดูการพิสูจน์ต่างหลายการที่เรากับเธอต้องเวียนว่ายตายเกิดในว่ตาต่าสงสารยาวนานมากมากก็เพราะว่าเราพวกเราไม่รู้ในอเยสสีก็คือไม่รู้ในเรื่องจิตนี่แหละไม่เห็นไม่ไม่รู้ว่าไอ้การที่มันเป็นทุกข์แล้วมันมันเอามาปรุงแต่งแล้วเราหลงไปกับมันเวียนว่ายตายเกิดแล้วแล้ว เ, เป็นตัวเป็นต น, เ ป, นเป็นตัวเราเป็นของเราพบแล้วพบเรา ยาวนานเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่เห็นความจริงว่าพวกเหล่านั้นเกิดแล้วก็ดับมันเป็นแค่อารมณ์ผานหน้าผ่านใต้เฉยๆดูเหมือนมีความสําคัญเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมโหฬารแต่เป็นเพราะจิตของเราไปสําคัญมันหมายแต่ความสําคัญมันไปมีประทานกับมันไปยึดจิตไปคล้องกับมันโค้งสอนเข้ามาที่จิตนี้แต่ถ้าจิงเราไม่ยึดไม่จิดไม่ค้องมีก็ะดับ ม, มีน่ายิ่งดีเอาไปทําประโยชน์ก็ได้ ประโยแต่เลี้ยงก็คือเอ้าเลี้ยงดูตัเองเลี้ยงบุญบริจาคบริวารอย่างพระเจ้าก็บอกไว้หมดเลยนะอยากติดพี่น้องพ่อแม่ลูกน้องแทใครไปใครมาเลี้ยงดูได้ระวังไทยได้ป้องกันน้ําท่วมป้องกันไฟไหมป้องกันขโมยโจรป้องกันยากที่จะไปหยุดไปช่วยไปคดไปโกงเอาทรัพย์เรานีพระเจ้าสอนวิธีไว้หมดเลยแล้วก็รู้จักบริจาคทานอันเลย่ยอันยอดเยี่ยม คือวงหาทักษิณยบบุคคลอันยอดเยี่ยมหมายถึงพระยาเจ้าหมดที่เด่นแล้ยินดีลดรันลงมาเรื่อยๆอย่างน้อยผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อออกจากทุกข์ยิ่งประมาณไม่ได้บุญที่เราทำแม่พระเจ้าสอนเอาไว้แล้วก็ให้มีปัญญาแต่ปัญญาของย่าเป็นปัญญาที่ฉลาดในวาระิตนี้ละมีอ่อนห้าได้แล้วก็สามารถเห็นว่าอสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจื้ ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงต้องมีปัญญาระดับนี้มันจึงละกิเลสได้แต่สอนใจให้ละกิเลสละกิเลสแต่ว่าไม่ปฏิบัติมันละไม่ได้รู้เฉยแต่มันละไม่ได้ถึงเวลาแล้วทําไม่ได้มันต้องปฏิบัติต้องเห็นจริงให้ถึงจริงแล้วมันละได้จิตเพราะฉะั้นทบบ้างงใจจริงสมบูรณ์ขึ้นอยู่ในจิตของเราแล้วก็รู้ทันทีสิ่ง ท, ที่พรงคสอนมันเป็นสิ่งที่มัน เอามาปฏิบัติได้จริงเกิดผลขึ้นในจิตได้จริงพ้นทุกข์ได้จริ ง, รงนี่แหละเรามายัางที่ประทับของพระเจ้าเราก็มาทบทวนธรรมะของพระเจ้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วก็สํารวมจิตใจของเราเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วเมื่อว่าตอนนี้ก็เป็นการปฏิบัติบูชาละจะหยุดละใช้การปฏิบัติธรรมนี่แหละเป็นเครื่องสักการะบูชาพระพุทธเจ้าเลย แล้วอันนี้หลักเป็นพยานหลักฐานยืนยันรับรองวันเรานี่แหละถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งจริงหรือไม่จริงเพราะเราเอากายเอาใจเราเดินทางจากประเทศไทยมาจนสถานที่ที่พระเจ้าทรงประทับบำเพ็ญคุทธจิตของพระองค์เราก็เลยสํารวมกายวาจาใจฟังธรรมของพระองค์ไปเรื่อยประพึติปฏิบัติเป็นที่แล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ละ่ะเป็นเครื่องสักการบูชาพระองค์ แล้วก็เลยมอบกายถวายชีิตเลยขอมอบกายถวายชีิตแด่ดวพระเจ้าพระธรรมพสงฆ์แล้วก็ทําความรู้สึกเหมือนไม่ใช่ของเราต่อไปนี่คือทำตามแล้วทำตามแล้วเหมือนว่าเยอถวายไปเลยเหมือนแต่เราเด็กดอกไม้ม า, มาแล้วไปวางเอาไว้บูชาพระพุทธเจ้าวางเอาไว้เหมือนกับวางกายวางจิตเอาไว้วางเอาไว้แล้วก็ถอยออกมาดูเฉย เราก็อยากรู้ว่าความรู้สึกเป็นยังไงอันนี้มันวางในจิตเวทนาจะเกิดจะวางเอาไว้อะไรเกิดวางเอาไว้เหมือนให้จิตของเราเนว่นถอยออกมาหมดเลยขอยเอามาเอาดูอยู่เสยเหมือนเราดูดอกไม้หรือถูกเทียนอะไรก็ตามที่เราไปวางบูชาบูชาแล้วเราก็ไม่ไปเอามาพราะเราวางไว้บูชาแล้วเมื่อวางเอาไว้หมดแล้ว มันจะไปยังไงกรช่างเราไปแล้วที่นี่ใครจะมาหยิบมาช่วยมาเก็บมาเอาไปนื่นไป้นี่ไม่สนในอีกแล้วเขาวางหมดแล้วเราก็ทำคล้ายๆกันนั่นแหละวางมันพอสุดท้ายแล้วเราจะล่าลาพระพุทธเจ้าตรงนี้แหละเพื่อเราจะได้เดินทางต่อไปจากนั้นก็ให้เราตั้งปณิธานละทีนี้ตั้งปณิธานละ ข้าพเจ้าจะพยายามประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอายสัจธรรมเพ่พ้นจากทุกในวัตัดเปนสารเดิมและรวบรวมกำลังบุญของเราทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาไว้ที่จิตใจของเราและก็ตั้งใจทิบุญ ควาอำนาจพระพุทธเจ้าอำนาจพระธรรมอำนาจพระสงฆ์จงดึงบันดาลบุญของข้าพระเจ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้แก่ดวงวิญญาณทั้งหลายที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองสถานที่แห่งนี้ที่สิงสถิตอยู่ในวัดแห่งนี้อยู่ในบริเวณนี้ที่กําลังต้องการบุญอยู่ในขณะนี้ทุกชั้นทุกภูมิรวมทั้งเหล่าเทวดาทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นอยู่ณนะที่ใดก็ตามขอให้ยินดีรับเอาบุญของข้าพระเจ้า ให้เพียงพอแก่ความต้องการตลอดเวลาแล้วก็ตลอดไปเมื่อรับบุญแล้วก็ขอให้ติดตามคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนพวกข้าพเจ้าการเดินทางก็ให้มีแต่ความราบรื่นเรียบร้อยลงตัวดีงามมีความปลอดภัยขออย่าได้มีอุปสรรคเป็นเครื่องขัดขวางการเดินทางประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพี่ใหญ่ในครั้งนี้ แล้วใครอยากอุทิศบุญให้ใครอีกจ่อไปก็อุทิศบุญดังอาววันนี้พอแค่นี้นะเดี๋ยวเราจะได้กราบพระพุทธเจ้านะหั น, นหมองไปทางโน้นละทางกุฏดดีพระพุทธเจ้านี่ยโอ้ยเลยใจของเราสะดวกไปกราบละใจมันถึงอยู่แล้วพระเจ้ากราบที่ไหนก็ถึงมาแล้วจะเอาเลยหันไปทางกุฏิท่านอ้าเสด็จเงินเอ ย, นยอะๆกันสักหน่อยหนึ่งนะ อะรหังสมมาสมุทโธภะเจวบุตังภะเจวันตังอะภิวาเดนสวคาโตภะเจวตาธัมโมธัมมังนะมะามิ สุปติปันโนภะจวะโตสาวกัสังโฆสังฆนามิ